ตรงนข้ามแต่เป็นเรื่องที่เป็นเส้นทางของเราต้องการเดินอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางของความสงบสุขที่แท้จริงซึ่งเราก็จะต้องพยายามสร้างเหตุปัจจัยที่จะเอื้อต่อความสุบแบบนั้นนะเพราะเราทั้งหลายนี่ได้เวียนว่ายตายเกิดมากับความไม่รู้มานานเหลือเกินนะแต่ามาถึงพบชาตินี้เราก็ได้มีโอกาสมา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 แต่ถ้ากระแสรูป ก, กระแสนามมันไม่ครบวงจรตัวรู้ของเราก็าจะเฟดจะฟอจะอเบาลงไปตามลำดับนะเพราะฉะนั้นทุกปรับกายกับใจแล้วไอ้ฉันก็รู้สึกตัวอยู่นะฉันก็คิดอยู่นะมันหมาเคาว่าถ้ารู้สึกตัวจริงๆแล้วเนี่ยความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้แต่ในกรณีที่เราจะไปต้องคิดเรื่องการเรื่องงานเรื่อง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 เราอาจจะแก้ไขไม่ได้ทีเแียวเราแก้ไขใจของเราได้ด้วยการปล่อยวางในสิ่งนั้นเ mm hmm. ราจะแก้ที่เราด้วยการปล่อยวางอันไหนจัดการได้ก็จัดการไปอันไหนจัดการไม่ได้มันอยู่นอกเหนืออำนาจของเราจัดการเราก็ปล่อยวางได้ง่ายอันนี้คือประโยชน์ของการฝึกฝนแบบนี้เพ mm hmm. ราะฉะนั้นเองวันนี้ขอกำหนดเป็นวันไซเลนเดย์เป็นวันสงัดจดละลดการเคลื่อนไหวของเราที่มันดังให้น้อยลง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 เตรมสติสมาธิปัญญาเนี่ยตั้งรับไว้เพราะนั้นความทุกข์ความเปลี่ยนแปลงของโลกก็ไม่สามารถที่จะมาทำร้ายหรือทำให้เราเป็นทุกข์ได้ล้วก็เหมือนกับเรานั่งเรือไปบนฝั่งหรือเขตมลสุนที่ร้ายกาศแต่เราอยู่ในเรืออันใหญ่เราก็ไม่สะดุมงสะเทือนอะไรนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีเรือหรือเรือเราเล็กเกินไป